ไปฉะนั้นว่านานๆเรามาเจอกันทีนง น, นะบางคนก็เคยไปที่วัดนะบางคนก็ไม่เคยไปที่วัดนะแต่ทุกคนที่อยู่ที่นี่นี่คงเคยปฏิบัติแล้วเคยกันใช่ไหมอืมเขารู้สึกว่าเป็นครูสติกันหมดแล้วเนะี่ย <c oughs> เห็นเห็นก็ว่าเห็นก็บอกออบรมครูสตินะเดี๋ยหนหลวงพ่อท่านตั้งโปรแกรมไว้อาตมาก็เออเคงเป็นครูสติกันหมดแล้วมั้งอาตมาจะได้มาเรียนจากครูสติบ้างเพราะอาตมายังไม่เคยมีสติโม่คนรอบคืออาตมาก็เป็นเป็นพระธรรมดานะอยู่วัดแฝดแสงเทียน ก็ให้ตำแหน่งสมมติให้ว่าเป็นเจ้าอาวาสเฉยๆแล้วพวกญายโยมทั้งหลายก็สมมติให้ว่าเป็นอาจารย์สอนแต่ขอบอกไว้ก่อนนะอาตมาเป็นอาจารย์สอนตัวเองไม่ใช่เป็นอาจารย์สอนคนอื่นนีก็จะเอาสิ่งที่อาตมาได้สอนตัวเองนี่แหละมาแบ่งปันให้เพราะอาตมาไม่มีความสามารถพอที่จะ สอนใครให้พ้นทุกข์ได้เสียใจไหมพระพุทธเจ้าท่านยังสอนใครให้พ้นทุกข์ไม่ได้เลยและอาตมาจะมีความสามารถมากกว่าพระพุทธเจ้าฉะนั้นหรอใช่แต่ว่าที่บอกก็คือสามารถบอกทางที่จะไปถึงสิ่งนั้นได้แต่พวกคุณต้องไปด้วยตัวคุณเอง ถ้าคุณไม่ไปคุณก็ไม่ได้สิ่งนี้คือเรื่องที่จะต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจกันนะก็คงเอ้าใครอยากรู้เรื่องอะไรบ้างนะใครอยากรู้เรื่องอะไรบ้างเรื่องเกี่ยวกัวการปฏิบัตินี่นะหรือให้ตามาพูดไปก่อนแล้วตอนท้ายค่อยคุยกัน ถามไปก่อนแล้วคุยกันกับพูดแล้วตอนท้ายค่อยไปคุยกันพูดก่อนก็ได้นะจะจะจับประเด็นว่ามันผิดเพราะมันผิดพลาดตรงไหนเรามาศึกษาร่วมกันนะเรามาศึกษาร่วมกันนะไม่ใช่เป็นการอาสอนกันบอกกันนะเห็นก็บอกว่าครูไม่ค่อยได้ไปมัวแต่ยุ่งกับการศึกษากับเด็กก็เลยไม่ค่อยมีเวลาอาตมาก็ไม่รู้เรื่องโดน คุณบอลหลอกมาเอา้ามาก็มาเอามาแล้วก็อยากใช้ประโยชน์ก็ถ้ามันยังทําประโยชน์ให้คนอื่นก็ได้คนอื่นอยาะเห็นประโยชน์ก็อยากจะใช้ตัวเองให้เกิดประโยชน์เท่านั้นเองเพื่อจะช่วยพระศาสนาให้มันคงขึ้นาการศึกษาเกี่ยวกับตัวเองเกี่ยวกับตัวเองนะเราต้องทำความเข้าใจก่อนทำคาเข้าใจตัวเองให้ดีๆก่อนอยึ่งจะศึกษาเข้าใจได้ทีนี้ อาจจะมาอาจจะแบ่งการศึกษาเป็นของตัวเองเนี่ยเป็น5ลักษณะถ้าใครเข้าใจในลักษณะของ5ประการเนี้ยแล้วเราจะสามารถที่จะทำความเข้าใจในการศึกษาตัวเองได้ดีจะอุปมาให้ฟังว่าลักษณะของการศึกษาตัวเอง5ประการเนี้ยแบ่งเป็น5้าสเต็ปไอสเต็ปก็คืออะไรเ็าไม่รู้อีกนะภาหนึ่ง จะอุปมาเหมือนกับโรงละครมีโรงละครจะอุปมาเหมือนกับโรงละครเรากําลังอาตมากําลังจะพูดถึงว่าวิธีที่ดูละครชีวิตจะต้องทํำยังไงละครชีวิตจริงเนี่ยจะต้องดูยังไงจะทํำยังไงเรานึกถึงการไปดูละครหรือดูหนังหรือดูเขาโชคมวยหรือดูเขาแข่งกีฬาเราดูกันเนี่ยเราจะดูอย่างสบายใช่ไหมถ้าเป็นผู้ดูที่ดีใช่ปะ เขาชคมวยกันเนี่ยบางคนเขชคมวยกันเราไปเชียร์เนี่ยเราจะสบายนะแต่คนชกมันเจ็บจะตายใช่หมตั้งหลักเป็อย่างนั้นนะพอทความเข้าใจในการศึกษาเร า, เ, เราไปดูอะไรต่างๆเนี่ยเราจะดูอย่างสบายๆแต่เราไม่ต้องเหนื่อยกับคนที่เขาแสดงใช่ไหมนี่คือหลักการแท้จริงนะถ้าเราเป็นคนดูแล้วเราจะสบายแต่ถ้าเราเป็นคนแสดงแล้วเราก็เหนื่อยแทบตายมันตรงกันข้ามอย่างนี้ทีนี้ จะอุปมาถึงการดูละครชีวิตมันมีอยู่ห้าส่วนส่วนที่หนึ่งละครนี่เขาจะแสดงนี่เขต้องมีเวทีก่อนใช่ไหมเหมือนจะเทศเนี่ยต้องมีเวทีก่อนใช่ไหมเนี่ยดังเทศอยู่เนี่ยต้องมีเวทีใช่ไหมเนี่ยเวทีเนี่ยหนึ่งส่วนที่หคือเวทีเวทีส่วนที่สองส่วนที่สองก็ส่วนของตัวละครส่วนที่สามคือส่วนของเรื่องราวของละคร ส่วนที่สี่คือส่วนของผู้ดูละครส่วนที่ห้าคือส่วนของเวลาละครครบองห้านี่จะกลับไปดูชีวิตตัวเองได้เลยจะอุปมาให้เหมือนกับเราพยายามมีโอปัญยิโกเมื่อฟังแล้วน้อมเข้าไปน้อมก็ไปศึกษาในตัวเองน้อมก็ไปศึกษาตัวเองอย่าอย่าน้อมออกนอกน้อมเข้ามาดูตัวเองทีนี้ตัวเราเองละครเนี่ยพื้นพื้นที่ของละครทั้งตัวเราคืออะไรรู้จักเวทีก่อน ใช่ไหมถ้าเราไม่รู้จักเวทีเราจะดูไม่รู้เรื่องเวทีของละครคืออะไรเวทีของชีวิตคืออะไรอะไรคือเวทีกายกับใจเป็นเวทีกายนี่จะประกอบด้วยอะไรบ้างเวทีมันจะมีกายแล้วนอกจากการมันจะมีตาหูจมูกลิ้นกายนี่คือส่วนเวทีเวทีของร่างกายอีกส่วนหนึ่งใจก็จะมีเวที เป็นเวทีสําหรับให้ตัวละครมาแสดงให้จำํำมาดีว่าตาหูจมกูกเล่นกายแล้วก็ใจนี่คือเวทีเวทีนี่มันก็มีอยู่บนพื้นฐานธรรมดาธรรมดาเข้ามันน่ยมันไม่ได้สุขได้ทุกข์ได้สนุกได้สนานอะไรหรอกเวทีมันจะถูกทุกข์มันจะสุขจะทุกข์จะสนุกสนานมันเป็นไปนไม่ได้เป็นเวทีใช่ไหมนี่คือตัวเวนะทีนะทีนี้เมื่อรู้จักเวทีเรียบร้อยแล้วทีนี้มารู้จักตัวละคร ตานี่ตัวละครที่จะแสดงทางที่จะมาแสดงทางตานี่คืออะไรรูปทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดขึ้นที่ตามองเห็นที่อาการตาไปเห็นรูปทั้งหลายทั้งปวงที่อาการตาไปมองเห็นทั้งหลายทั้งปวงนั่นแหละคือตัวละครตัวหนึ่งที่อาศัยพื้นที่ดวงตาเป็นที่แสดงนั้นรูปทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยจะไปเกิดที่เวทีอื่นได้ไหมรูปทั้งหลายทั้งปวงจะไปเกิดที่หูได้ไหม ไปเกิดที่จมูกใจที่ลิ้นที่กายได้ไหมไม่ได้นี่รูปและสีทั้งหลายทั้งปวงบนโลกนี้เขาจะมีเวทีคือเขาจะสัส ด, ดงเขาจะมาสมดแสดงที่ดวงตาเห็นไหมแล้วก็มีสองลักษณะรูปที่เราชอบใจกับรูปที่เราไม่ชอบใจรูปสวยและรูปไม่สวยที่เราว่ากันว่ามันสวยและไม่สวยนั่นแหละนี่ส่วนหนึ่งเวทีที่สองคืออะไรหู มีอะไรมาแสดงเสียงใช่ไหมเสียงทั้งหลายทั้งปวงหลากหลายชนิดที่เกิดขึ้นมาเสียงชมเสียงด่าเสียงนินทาเสียงยกย่องเสียงสรรเสริญเสียงเพลงเสียงโห่ร่เสียงร้องไห้เสียงนกร้องเสียงอะไรก็ตามที่เข้ามาเนี่ยเขาเป็นตัวละครที่มาแสดงบนบนหูหูคือพื้นที่ละครพื้นที่เวทีไงก็จะมาแสดงแสดงแสดงอยู่เรื่อยนี่ในตัวตัวละครนะจมูกมีอะไรกลิ่นนานาชนิด เขาก็าจะมาสะแสดงตลอดเวลาลิ้นมีอะไรอีกลิ้นก็จะมีรสทั้งหลายทั้งปวมาสแสดงใช่ไหมเรื่มเริ่ ม, มตามเข้าใจแล้วใช่ไหมนี่มีโอมาณยิโกดูกไปเรื่อยๆน ะ, ะแล้วกายล่ะมีอะไรมาสแสดงงงเลยกายร่างกายมีอะไรมาสแสดงปวดเมื่อยตอนนี้ร่างกายมีอะไรกำลังมาสแสดงอยู่ หนาวนั่นหนาวใช่ไหมร่างกายมีอาการยืนอาการเดินอาการนั่งอาการนอนอาการเย็นอาการร้อนอาการอ่อนอาการแข็งอาการเจ็บอาการปวดอาการเมื่อยอาการหิวอาการกระหายสารพัดเขาจะมาแสดงกับเราตลอดเวลาเลยนี่ต้องแยกให้ชัดนะร่างกายคือพื้นที่เวทีนะยืนเดินนั่งนอนไม่ใช่ตัว ร่างกายนะอย่างเรานั่งอยู่เนี้ยเราว่ายืนเดินนั่งนอนกับร่างกายบางคนจะเข้าใจว่าเป็นอันเดียวกันแต่จริงๆไม่ใช่มันคนละอันกันนืร่างกายเขาเป็นอย่างเงี้ยโผลจดเท้าเท้าจาะหัวนี่คือร่างกายอาการยืนอาการเดินอาการ น, านั่งนั่งนอนเนี่ยเขาเพียงแก่จรมาเกิดจรมาเกิดจรมาเกิดเป็นครั้งคราวตอนนี้อะไรอยู่ชัดเจนที่สุดกำลังแสดงอยู่อาการนั่งแล้วในอาการนั่งนี่จะมีอะไรอีกเยอะแยะ ทั้งเย็นบ้างทั้งเจ็บบ้างทั้งปวดบ้างทั้งเมื่อยบ้างทั้งสบายบ้างทั้งไม่สบายบ้างเห็นไหมนี่คือร่างกายส่วนจิตใจอ่ะจิตใจจิตใจก็มีอะไรมาแสดงอารมณ์ที่หลากหลายโอ้มากมายเลยรักก็ใช่ชั่งก็ใช่เกลียดก็ใช่โกรธก็ใช่กลัวก็ใช่อยากก็ใช่โลคก็ใช่หลงก็ใช่รู้ก็ใช่ไม่รู้ก็ใช่อันนี้ก็เรียกว่าตัวละครนะ แบ่งเป็นกลุ่มให้ชัดเจนเนะี่ยเดี๋ยวจะชัดเจนนะหนึ่งกลุ่มพื้นที่สองกลุ่มตัวละครใช่ไหมอีกอันหนึ่งอีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มของเรื่องราวเขาแสดงเรื่องอะไรเยอะเลยแหละตาก็แสดงเรื่องรูปและสีหูก็แสดงเรื่องเสียงจมูกก็แสดงเรื่องกลิ่นลิ้นก็แสดงเรื่องรสกายก็แสดงเรื่องสัมผัสใจก็แสดงเรื่องอารมณ์ใช่ไหมแต่เราสรุปมาได้ว่า ในท่ามกลางเรื่องที่หลากหลายชนิดเนี่ยมันมีเรื่องที่ว่าเราสามารถสรุปมันได้ว่ามันแสดงเรื่องอะไรมันแสดงถ้าเราสรุปตามภาษาเรามันจะแสดงอยู่สองอย่างแสดงท้องความรู้สึกอยู่สองชนิดหนึ่งสรุปแสดงที่ความชอบใจบางเรื่องที่เราชอบใจใช่ไหมอืมตาไปเห็นรูป ส, สวยก็ชอบใจแต่พอไปเห็นรูปเบอะเบะรูปที่ไม่สวยก็เกลียดใช่ไม อาจารนเรื่องทั้งหลายเนี่ยมันจะมาสองส่ว น, นก็เรียกว่าแสดงให้เกิดความพอใจและไม่พอใจนี่และในความพอใจและไม่พอใจนี่มีอีกมันยังไม่ใช่ความจริงแท้ความพอใจและไม่พอใจไม่ใช่ความจริงแท้ทําไมไม่ใช่ความจริงแท้บางสิ่งบางอย่างบางคนชอบใจแต่บางคนไม่ชอบใจเหมือนสิ่งสิ่งเดียวเนี่ยเอาคนชอบใจมาชอบใจเหมือนกันได้ไหมไม่ได้ ถ้าคนใดชอบสิ่งเดียวชอบใจเหมือนกันสิ่งเดียวป่านนี้คนแย่งกันตายและวตีกันตายแล้วจริงๆด้วยอ่ะถ้าชอบอะไรสิ่งเดียวเหมือนกันหมายถึงว่าบางอย่างเราชอบบางอย่างเราไม่ชอบแต่คนอื่นก็ชอบคนเราไม่ชอบใช่ไหมฉะั้นมันจึงไม่ใช่ความจริงแท้ความจริงแท้ต้องเหมือนกันไม่มีความแตกต่างถ้ายังมีความแตกต่างไม่ใช่ความจริงแท้ทีเรื่องที่จริงแท้คืออะไรเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไป ของทุกๆเรื่องนี่คือความจริงแท้คุณจะชอบใจก็ช่างไม่ชอบใจก็ช่างแต่นี่เป็นความจริงแท้ของมันมันไม่มันหนีไปจากนี่ไปได้จะมีผู้เจ้าเกิดขึ้นก็ตามไม่มีผู้เจ้าเกิดขึ้นก็ตามมันจะมีความจริงแท้นี้ดํารงคงอยู่คู่กับโลกอยู่กับโลกตลอดเลยนะเกิดขึ้นตั้งอยู่แลดับไปปู่ย่าตายายเราเกิดขึ้นมาแล้ว ปู่ย่าตายายเราก็ตั้งอยู่มาแล้วแล้วปู่ย่าตายายเราก็ดับไปแล้วแล้วเราล่ะเกิดขึ้นมาแล้วตั้งอยู่ไปแล้วแล้วก็จะดับไปต่อไปนี่เขาเรียวกว่าความจริงแท้ของโลกใบนี้เคยสนใจบ้างไหมลนะ่ะความจริงแท้แล้วเนี้ยไม่เลยไม่เลยเอาแต่แอบ น, นั่นของเราแอบ น, นั่นของเรานี่คือความจริงแท้ของโลกใบนี้จะอยู่คู่โลกใบนี้ถ้าใครรู้สึกที่ผิดเพี้ยนไปจากความจริงแท้คนนั้นจะเกิดการ ทุกทันทีไม่ยอมรับความจริงก็จะเจอความหลอกถ้ายอมรับความจริงก็จะเจอความจริงแล้วเข้าใจความจริงฉะนั้นเรื่องราวต่างๆที่หลากหลายเนะี่ยมันมีความจริงแท้คือเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับเขาเรียกว่าอ น, นิจจังทุกขัง อ, น, อ น, นัตตาอนิจจังคือความไม่เที่ยงทุกขังคือความทุกข์อนัตตาคือความไม่มีตัวตนแต่ปัจจุบันนี้ทุกคนมีพื้นฐานความคิดแบบนี้ไหมไม่มี มีพื้นฐานความคิดยังไงมีพื้นฐานความคิดคือทุกอย่างเที่ยงรถฉันบ้านฉันใช่ไหมเงินฉันงานฉันลูกฉันเมียฉันผัวฉันใช่ไหมเที่ยงแท้สิ่งนี้อยู่กับเราเที่ยงแท้แน่นอนไ ม, ไม่จากหายไม่จางหายไปไหนเราเห็นอยู่ชัดชนี่พร้อมรู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเที่ ย, ง, ยงคงที่อยู่เหมือนเดิมเรารู้สึกอย่างนั้นนะคิดแต่ละทีคิดแต่อย่างนี้แหละไม่คิดจากสิ่งเหล่านี้ไปด้วยแล้วก็ไม่อยากให้สิ่งเหล่านี้จากเราไปด้วย ใช่ไหมเนี่ยที่ยงใช่ไหมแล้วเรามองโลกนี้ไปเไรสุขบ้างทุกบ้างสุขบ้างทุกบ้างใช่ไหมหรือใครจะมองสุขล้วนๆหรือใครยัมองทุกข์ล้วนๆไม่มีบางเรื่องที่ฉันชอบใจเป็นความสุขบางเรื่องที่ฉันไม่ชอบใจเป็นความทุกข์มันขัดกับความเป็นจริงไห ม, <c oughs> ไมยอมรับไม่ค่อยได้ <c oughs> ใช่ไหมเนี่ย เมื่อเรามองงนี้พวกอมีก็สุขบ้างทุกบ้างเราจึงเกิดการดิ้นรนอะไรแสวงหาสิ่งแต่สุขสุขแล้วพยายามเช็ดหนีสิ่งที่เป็นทุกข์นี่เราพยายามทุกเกี่ยวทุกคนจึงพยายามดิ้นรนที่สุดเลยดิ้นรนสร้างความสุขให้ตัวเองทุกวิธีทางเลยกินให้มีความสุขดูให้มีความสุขดมให้มีความสุขฟังให้มีความสุขสัมผัสให้มีความสุขแล้วก็สร้างอารมณ์ดีๆให้มีความสุขใช่ไหมทุกคนจะเป็นอย่างนั้น แล้ดได้กันร้องกันยังอ่ะคว้าน้าเหลวกันหมดทุกคนเลยมันเหมือนจะได้เนมันเหมือนจะได้แล้วมันก็หนีจากเราไปอีกเป็นอย่างนั้นจริงๆนะมันเหมือนเออฉันได้มาแล้วก็หายไปอีกได้มาแล้วก็หายไปอีกได้มาแล้วก็หายไปอีกโราก็พยายามดิ้นรนวิ่งตามมันให้ทันมันยิ่งวิ่งเร็วเท่าไหร่มันก็จะวิ่งหนีเราไปเท่านั้นเองใช่ไหมเพราเรารู้สึกว่าโรคนี้มีสุขบ้างทุกบ้างเราจึงพยายามดิ้นรนหาความสุข แล้วเราก็เราไปโทษว่าถ้าเรากําจัดสิ่งที่เป็นทุกทุกทั้งหลายทั้งปวงได้เนี่ยความสุขคงถาวรแน่และใช่ไหมจึงพยายามที่จะกีดกันทุกอย่างไอ้สิ่งมันเราไม่ชอบเราทําให้เราทุกข์ยากลำบากออกไปจากชีวิตให้ได้ถ้ากําจัดสิ่งนี้ได้คงสุขตลอดการใช่ไหมแล้วกําจัดได้ไหมคําตอบไม่ได้อีกอา้าวไม่ได้เมื่อไม่ได้แล้วเราพยายามที่จะทําให้มันได้มันจะได้อะ่ะ ของไม่ได้แล้วพยายามที่ทาให้มันได้เนี่ยมันจะได้ไหมเขาบอกว่าไม่ได้แต่พยายามจะทําให้มันได้อะจะได้ไหมมันก็ไม่ได้ยังไงยังไงมันก็ไม่ได้คือคําตอบก็คือคําตอบว่าไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยเราจะมองว่าโลกเนี้ยมีสุขบ้างทุกบ้างแล้วเรามองอีกมุมนึงเรามีคนรับผลสิ่งเหล่านี้ เ, เรียกว่ามีตัวเราเป็นผู้รับผลเรามีตัวตนอยู่จริงเรารู้สึก เรามีตัวตนอยู่จริงเรารู้สึกที่เรบรู้สึรับรู้ถึงความรู้สึกเหล่านี้ว่าเราสุขรับรู้ถึงความรู้สึกเหล่านี้ว่าเราทุกข์เพราะเรารู้สึกว่าเรามีตัวตนอยู่จริงขัดกับความเป็นจริงที่พระเจ้าตรัสสอนไหมในเรื่องมิจฉาทิฏฐิเราต้องปรับความรู้สึกเราให้เกิดสัมมาทิฏฐิมองให้เห็นตามความเป็นจริงเขาว่าหนึ่งโลกนี้ไม่ทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกนี้เปลี่ยนแปลงตลอดทุกเวลานาทีเลย อย่างเรานั่งอยู่เนี้ยเราเปลี่ยนมาแล้ววัยเด็กเราไปไหนวัยเริ่มหัดเดินหัดคลานหัดยืนหัดวิ่งไปไหนหมดแล้วแล้ววัยเหล่านั้นน่ะมันอยู่ในตัวเราไหมก็อยู่ในตัวเราแต่มันกลายเป็นปุ๋ยให้เรามาเป็นตนนี้มันตายไปแล้วแล้วกลายไปเป็นปุ๋ยที่ทำให้เรามาเป็นคนคนนี้แล้วเราก็จะไปแล้คนคนที่เราอยู่ตรงนี้มันจะกลายเป็นปุ๋ยให้ไปเป็นคนคนนั้นต่อไปอีก ผลสุดท้ายที่สุดของมันคือมันก็จะเป็นปุ๋ยของโลกขายไปเป็นปุ๋ยของโลกอยู่บ้างเนี่ยเนี่ยนี่คือความจริงของมันน่ะเนี่ยก็ร้ไม่เที่ยงทุกอย่างเป็นอย่างนี้อันนี้ก็เป็นอันนี้ก็เป็นอันนี้ก็เป็นรอบๆตัวเราดูสิเป็นอย่างนี้หมดเลยอาคารหลังนี้ก็เป็นแล้วแต่อายุมันมันเป็นไปหมดเลยลมหายใจให้เข้าหายใจออกยังเป็นเลยเนี่ย ยังไม่เที่ยงอีกสองอย่างอีกอันหนึ่งบนโลกนี้พระเจ้าทราสบอกว่าทุกๆเรื่องไม่ใช่ทุกๆบางเรื่องสุขบางเรื่องทุกทุๆเรื่องมันทุกทุๆเรื่องโอ้เรายังทุกบางเรื่องสุขบางเรื่องอยู่นะแต่พระเจ้าบอกมันทุกทุๆเรื่องถ้าเรามองงี้พอรู้สึกว่าโอ้ผู้ศาสนาีโหดร้ายมากๆเลยมองโลกในแง่ที่ เร็วซามต่ําช้าว่างๆเลยแต่เราลืมไปบอกอีกอะลืมอีกขั้นตอนหนึ่งที่พระเจ้าท่าสอนว่าเมื่อมันทุกทุกเรื่องแล้วมันมีออกฟังออกจากทุกได้ทุกๆเรื่องด้วยพระเจ้าท่านไม่ได้สอนแค่ว่ามันทุกทุกเรื่องแล้วไม่หาทางออกไม่ได้มันทุกทุกเรื่องก็จริงอยู่แต่มันมีทางออกจากทุกทุกได้ทุกเรื่องแต่เราไปติดตรงนั้นน่ะอานารย์ฉีบอกว่านี่มันทุกทุกเรื่องนะแต่ทางออกจากทุกเหล่านี้มีอยู่ ถ้าเรารู้อ่ไทุกอย่างมันทุกทุกเรื่องที่มันทุกทุกเรื่องเพราะอะไรมันเกิดขึ้นมันตั้งอยู่แล้วมันดับอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับนี่คือมันทุกมันทุกทุกเรื่องแล้วตัวสุดท้ายมันไม่มีตัวตนอยู่จริงคือเราบังคับบัญชาให้มันเป็นไปตามใจเราไม่ได้ห้าเราสามารถบังคับบัญชาให้เป็นไปตามใจเราได้เนี่ยเราจะบังคับบัญชาให้มันเป็นอะไรประเด็นแรกอย่างแรกที่สุดเราต้องบังคับบัญชาให้มันเป็นสุขตลอดชีวิต ใช่และประเด็นที่สองคือไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บแล้วไม่อยากตายไม่อยากพัดพรากจากทุกสิ่งถ้าเราบังคับมันได้เราต้องเอาให้ได้หมดแหละแล้วทุกคนจะไม่มีคนจนจะมีแต่คนรวยเพราะทุกคนอยากรวยถ้าบังคับได้งคงรวยทุกคน ทุกคนอยากสบายทํามกำลับได้คงสบายทุกคนเพราะมันเป็นอนัตตาคือมันไม่บังคับบัญชาไม่ได้มันจะอาศัยเหตุปัจจัยเกิดขึ้นแล้วก็สลายตัวเหตุปัจจัยเกิดขึ้นแล้วสลายตัวเรียกว่าไม่มีตัวตนอยู่จริงให้เรารับผลหรอกเป็นวันนี้เป็นวันนี้เป็นวันนี้นี่เขาเรียกว่าอย่าหลงประเด็นนะอันนี้ก็ว่าอันตมากําลังประโมทประมวลทั้งหมดว่าเรื่องราวที่มันแสดงมันจะเรื่องเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปอันตรามาพูดเรื่องนี้อยู่นะ ตัวที่สามนั่นเนี่ยยังไม่จบหนึ่งพื้นที่เข้าใจาเดี๋ยวจะไปดูชีวิตได้ละสองตัวละครคืออารมณ์ที่หลากหลายอ่าสามเรื่องราวเรื่องราวถ้าสามเรื่องนี้มีอยู่แต่ไม่มีคนดูจะรู้เรื่องไหมสามเรื่องนี้มีอยู่แต่ไม่มีคนดูเดี๋ยวจะรู้เรื่องไหมออกมาเมื่เราเปิดทรนทัศน์ไว้ที่นู่นแหละ แต่เราไปทํางานที่อื่นเราจะรู้เรื่องนที่ทท่านเขาแสดงลงละครเขาแสดงอยู่นี่แต่เราไปออกไปเที่ยวที่อื่นแซะเราจะรู้เรื่องละครไหนไม่รู้ตัวสําคัญที่สุดคือตัวที่ดูละครผู้ดูละครผู้ชมละครนี่แหละตัวสําคัญตรงนี้ถ้าใครมีตัวนี้ได้ปุ๊บจะเรียนรู้ชีวิตอยู่กับชีวิตที่มันมันเป็นอย่างเนี้ยแต่มีความสุขได้ทันทีเลยตัวนี้ตัวสำคัญไง ตัวสำคัญตัวรู้อา้าวกลุ่มของตัวรู้เนี่ยตัวรู้ตัวดูเนี่ยเขาก็พูดกันเยอะเยอะแยะมากมายให้มีสตินะใช่ไหมอย่างเป็นครูสติเนี่ยมีกันหรือเปล่า <c oughs> มีสติหรือสติแตกหมดแล้วเนี <c> ่ย <oughs> <c oughs> อย่างเป็นครูสติเนี่ยให้มีสตินะให้รู้สึกตัวนะให้มีพูดโธนะให้รู้นะให้ตื่นนะให้เบิกบานนะให้ตื่นขึ้นมานะอย่าไปหลับไหลนะ ตัวตื่นตัวรู้ตัวเบิกบานตัวสติตัวสัมปชัญญะตัวสมาธิตัวปัญญานี่เรียกว่าผู้ชมละครเอาเป็นกลุ่มกอผู้ชมละครเลยไม่ต้องไปเท่าไปยุบบรญัติภาษามากเราจะยุ่งอันเนี้ยเอาว่าไอตัวที่มันรู้ตัวเรานี่แหละไอตัวที่มันรู้ตัวเราอะไรกำลังเกิดขึ้นกับเรานี่แหละคือตัวตัวดูละครละพูภาษาง่ายๆเดี๋ยวก็ออกภาษารายองเลยเร ไอตัวที่มันรู้อะไรเกิดขึ้นกับเรานี่แหละตอนเนี้ยไอตัวนี้แหละคือตัวชมละไอตัวนี้แหละคือตัวดูละไอตัวนี้คือตัวยานปัญญาก็มียานทัศน์ก็แดดแล้วถ้าจะพูดอันที่พูดสติบ้างสมาธิบ้างปัญญาบ้างเห็นบ้างรู้บ้างเห็นบ้างเพราะบางทีศัพท์ภาษามากๆเข้าเราจะงงไงเฮ้กูรู้หรือเปล่าว่าให้กูเห็นหรือเปล่าว่ากูมีสติหรือเปลามีสติมียังไงบา ง, งานคนถามเนี่ยครูสติจะถามนะเอ๊สติมันมียังไงอ่ะใช่ไหม แต่ทุกคนรู้ไหมตอนนี้อะไรกำลังเกิดเย็นเกิดขึ้นรู้ไหมรู้เหมือนกันไหมไม่เหมือนอะแต่รู้ใช่ไหมบางคนเย็นมากบางคนเย็นน้อยใช่ไหมแล้วบางทีรู้สิกดีๆบางทีบางคนในใจกำลังรู้สึกุหงุดหงิดรู้ไหมอึดอัดรู้ไหมอยากกลับบ้านแล้วรู้ไหม <c oughs> อยากไปโน่นไปนี้แล้วรู้ไหมที่มันกำลังแสดงเรื่องราวอยู่แล้วเรารู้ตัวนี้แหละคือตัวชมเขาจะเรียกว่าอะไรก็ช่าง เรียกว่าตัวรู้ตัวที่มันรู้ตัวเราเองนี่แหละฉะนั้นเวลาเราจะรู้จักว่าเรามีตัวรู้ตัวรู้ไหมหรือเราจะมีวิธีวัดว่าเราจะรู้ว่าเรารู้ตัวเองเราหรือไม่ในตอนเนี้มันจะมีตัววัดอยู่มีตัววัดอยู่เขาเรียกว่าวิธีรู้สึกตัวเนี่ยมันวัดได้ยังไงง่ายๆภาษาง่ายๆเข้าใจง่ายรู้ว่าอะไรกำลังเกิดขึ้นกับตัวนั่นแหละเขาเรียกว่ารู้สึกตัวรู้ว่าอะไรกำลังเกิดขึ้นกับตัวนั่นแหละกับตัวสติ รู้อะไรก so, so, so so, so, so, ําลังเกิดขึ้นกับตัวนั่นก็เรียกว่าตัวผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานรู้ว่าอะไรกำลังเกิดขึ้นกับตัวนั่นเรียกว่าสัมปชัญญะรู้ว่าอะไรกําลังเกิดขึ้นกับตัวนั่นเรียกตัวสมาธิรู้อะไรกําลังเกิดขึ้นกับตัวนั่นเรียกวตัวปัญญาพอจะทําได้ไหมเออเนี่ยถ้าเราทั้งหมดนะถ้าเรามาอยู่กับผู้ชมปั๊บเนี่ยเราจะเป็นยังไงก็บอกแล้วถ้าเราอยู่กับผู้ชมปุ๊บก็ชมเขาชมเขาดูเขา เราก็สบายใช่ไหมก็เหมือนกับเราชมเขาดูเขาชกมวยกันแล้วก็เชียร์สบายๆเราไม่ต้องเจ็บแต่เราเรากลับไม่เป็นคนดูเรากลับไม่เป็นคนดูกลับไปเป็นคนสแสดงละครซะเองทาหน้าที่ผิดมันจึงเป็นทุกทุกวันเนี้ทําหน้าที่ผิดดูความโกรธหรือไปเป็นคนโกรธล่ะ ดูความชอบหรือไปเป็นคนชอบละ่ะดูความอยากหรือไปเป็นคนอยากละ่ะถามตัวเองดีๆเป็นคนดูหรือเป็นคนเป็นแล้วมันผิดหน้าที่ไหมมันทําผิดหน้าที่ไงมันเลยทุกหน้าที่คือดูดูเป็นคนดูอย่าไปเป็นคนเป็นแล้วเราจะรู้จะเห็นความจริงมาเราก็เลยพอไปดูปุ๊บเราก็เกิดการแทรกแซง แทรกแสงแทรกแสงดัดแปลงปรับปรุงแก้ไขตามใจตัวเองคนสุดท้ายเป็นยังไงอ่ะเจ็บใจปวดใจกุ้มใจไม่มีใครเห็นเลือดตากระเด็นเลยแหละพอเธอไปเห็นความดีใช่ป่ะอันถ้าเรากลับตัวเองเนี่ยพัฒนาตัวเองแค่เดียนี้น การรู้ตัวเองเนี่ยตัวรู้เนี่ยเนี่ยคือกลุ่มของผู้รู้เนี่ยรู้อะไรเกิดขึ้นกับตัวเนี่ยคือตัวดูละครละตัวชมละครละอ่ากี่เรื่องละเออแตมาไม่หลงประเด็นนะโยงก็อย่าหลงประเด็นหนึ่งย้ำก่อ น, พ, นพื้นที่สองตัวละเออตัวละครสเรื่องราวสผู้ชมห้าเวลา อ, อ่สําคัญไหม เวลาก็สําคัญเวลาก็สําคัญถ้าเราไม่รู้ว่าจากเวลาเนี่ยเราจะดูผิดเมื่อดูผิดจะไม่เกิดผลถ้าเรื่องราวเหล่านี้เราไปดูในอดีตจะเกิดผลไหมไม่เกิดผลเพราะเรื่องมันผ่านไปแล้วถ้าเราไปดูในอนาคตล่ะมันจะเกิดผลไหมมันยังมาไม่ถึงมันยังมาไม่ถึงเรื่องยังไม่เกิดแต่เราไปจินตนาการให้มันเกิด นั่นเขาเรียกว่าหลอกตัวเองเรื่องจริงๆคือเรื่องเวลาที่กําลังเป็นอยู่เดี๋ยวนี้ต่างหากนี่คือเรื่องจริงชีวิตของคนทุกวันนี้ที่มันวุ่นวายสับสนเพราะอะไรเพราะมันไปดึงเรื่องอดีตมาบ้างไปดึงเรื่องจินตการอนาคตบ้างแต่ไม่เคยอยู่กับเรื่องจริงของขณะนี้เลยไม่เคยอยู่กับเรื่องจริงทั้งที่ทำไมจะไม่ได้เรื่องจริงเนี่ยกำลังนั่งฟังอยู่เนี่ยทุกคนฟังจริงไหม แต่ทุกคนใจอยู่ที่นี่จริงไหมน่ะบอกได้เลยบางที่ใจแวบออกจากห้องไปหล้วเที่ยวแล้วใช่ไหมน่ะฟังอยู่รู้อยู่เข้าใจอยู่แต่ใจไม่อยู่มันเลยได้แต่สมองแต่ไม่เป็นไรถ้ามันทําไปแล้วเอาไปพัฒนาต่อพัฒนาต่อฉันเรื่องทั้งหมดเรานะ่ะถ้าเราจะมีชีวิตอยู่กับปัจจุบันอย่างแท้จริงเนะี่ยชีวิตเราจะไม่มีความทุกข์ ที่ชีวิตเรามีความทุกข์เพราะเราอยู่กับปัจจุบันอย่างแท้จริงไม่เป็นแล้วอยู่กับความจริงไม่เป็นมันเลยไปเอาเรื่องที่ผ่านมาแล้วมายําตัวเองอยู่นั่นแหละจิงริงอายุมากมเนี่ยไปเอาเรื่องโศกเรื่องเศร้าเรื่องวิตกกังวลที่อดีตอดีตมาหรือมากับเอาเรื่องอนาคตจินตนาการเพ้อฝันไปเรื่อยเปื่อยมันเลยเป็นความฝันเมื่อเราเข้าใจตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเราจะเข้าใจแล้วอ่ามันเลยมีเรื่องสองเรื่องเมื่อสรุปแล้วหนึ่งพื้นที่ตัวละคร ใช่ไหมเรื่องราวคนดูเวลามันสําคัญอยู่สองเรื่องที่จะทาให้เกิดการปล่อยวางตัวเองได้ถ้าขาดสองเรื่องนี้มันจะไปไม่ได้เพราะว่าไอ้พื้นที่ก็มีทุกอย่างมันครบหมดแล้วที่จะมาพูดเนี่ยโอปัญยุโกลงน้องเข้าไปในตัวเองสิมันกําลังเกิดอยู่ดีอยู่หมแล้วมันไม่หนีไปไหนหรอกกาลังเดี๋ยวดีด้วยเป็นอยู่ด้วยใช่ไหมที่มีอยู่สองเรื่องที่มันสําคัญที่สุดคือหนึ่ง ตัวรู้ตัวดูอะตัวดูตัวชมเนี่ยตัวผู้ชมของเราเนี่ยหนึ่งตัวนี้ตัวสําคัญและที่สองต้องชมอย่างมีปัญญาไม่ชมอย่างลุ่มหลงต้องชมอย่างมีปัญญาเมืองจะมีตัวความเข้าใจตัวชมที่มีปัญญาคือเข้าใจเรื่องของมันว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปรู้ทุกเรื่องในรู้ทุกเรื่องประมวลประมวลเรื่องทั้งหมดนะให้มาอยู่ในกลุ่มนี้ รู้ทุกเรื่องที่มันเกิดมาแบบรูปแบบไหนก็ตามมันจะเป็นแบบเนี้ยเมื่อเรารู้ทุกเรื่องมันเป็นแบบเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับากไปก็รู้อันนีจังทุกขงังอัตาตาของทุกๆเรื่องแล้วใจเราจะเป็นยังไงว่าทุกเรื่องเนี่ยมันจะมาแบบไหนก็ช่างแต่ ม, มีความเหมือนกันในความหลากหลายใช่ไหมอย่างโยมนี่ใส่เสื้อสีส้มโยมนี่ใส่เสื้อสีแดงมีความแตกต่างกันใช่ไหมแต่ในความแตกต่างมีความเหมือนกันไหมมืด กับสว่างมีความแตกต่างใช่ไหมแต่มืดกับสว่างมีความเหมือนกันไหมมืดเกิดขึ้นแล้วก็ดับสว่างเกิดขึ้นแล้วก็ดับใช่ไหมเนี่ยความแตกต่างความแตกต่างอันนี้ก็เรียกว่าถ้าเราเข้าใจปุ๊บจะเป็นคำพูดของที่ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งมวลล้วนดับไปเป็นธรรมดานี่เขาเรียกความเหมือนกันในความแตกต่างของทุกทุกสิ่ง ถ้าคนใดเข้าใจตรงนี้ก็คนนั้นมีดวงตาเห็นธรรมดวงตาเห็นธรรมสามารถที่จะเดินทางต่อไปได้อีกไปได้ไกลเขาเรียกว่าพระเจ้าบัญญัติว่าคนใดก็ตามถ้ารู้สึกอย่างนี้อย่างเลือกซึ้งตึงใจแล้วเข้าไปในจิตใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดามีความดับไปเป็นธรรมดาอย่างแท้จริงจนใจมันยอมรับเขาเรียกว่าเป็นโสดาบัน พระพุทธเจ้ารับว่าเป็นสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้านั่นเป็นพระจริงๆเริ่มเป็นพระมีคุณตามข้อนี้เป็นตัวรองรับแต่อย่างนี้ก็ต้องสมมุติสงสงนะนั้นตัวเรื่องสาคัญตัวเรื่องที่เรารู้สักเราต้องประมวลเรื่องราวต่างๆให้มันมันเข้าหลักกับความจริงได้ปับ๊บเราจะสบายนี้เราก็ดูทุกเรื่องอย่างไม่มีส่วนได้ส่วนเสียใช่ไหม พรทุกเรื่องในตัวแล้วมันมีแต่ส่วนเสียทั้งวันทั้งหมดมันจะมีแต่เหตุปัจจัยเกิดขึ้นเหตุปัจจัยตั้งอยู่เหตุปัจจัยดับไปมีเหตุปัจจยเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปทุกๆเรื่องเหมือนเรามานั่งฟังอยู่เนี่ยมันมีเหตุปัจจัยมานั่งฟังไหมมันจึงมานั่งฟังอ่ะอาตมามาจึงถูกเกณฑ์มาแล้วก็ต้องมานั่งฟังเนี่ยใช่ไหมมันก็มีเหตุปัจจัยใช่ไหมถ้าเลิกมีเหตุปัจจัยอีกมันอาจจะอาตมาไปแล้วโยมก็เลิกไปก็มีเหตุปัจจัยอีก ทุกเรื่องไม่ใช่เกิดขึ้นมา ล, ลอยๆเขามีเหตุมีปัจจัยของ ท, ทุกเรื่องก็แหละจะโกรธใครสักคนหนึ่งก็มีเหตุปัจจัยจะชอบใครสักคนหนึ่งก็มีเหตุปัจจัยจะคิดถึงใครสักคนหนึ่งก็มีเหตุปัจจัยทุกอย่างเขามีเหตุมีปัจจัยของเข้าทั้งหมดและในเหตุปจนะัจจัยนั้นมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาตามเหตุปัจจัยแล้วก็ดับไปเป็นธรรมดาตามเหตุปัจจัยถ้าเข้าใจทุกเรื่องบนโลกนี้แบบนี้มันจะอยู่กับโลกนี้อย่างสบายจริงๆนะใช่ไหม นี่ถ้าเราไม่เข้าใจปุ๊บกับโลกนี้อยตามความเป็นจริงปุ๊บเราจะอยู่ยากมากเลยมันเหมือนกับทุกอย่างรุมเราเราไปหมดเลยยิ่งในสังคมปัจจุบันแล้วโอ้ในกรุงเทพสารพัดออกไปก็เจอรถติดแล้วออกไม่ว่าออกบ้านอยู่บ้านมีแต่ใช้เงินตลอดเห็ิตน่าสงสารแต่ได้เงินเยอะแต่ก็ใช้เยอะใช่ไหมถ้าเราเข้าใจหลักตรงนี้ปั๊บเนี่ยเอาหลักสองตัวนี้ไปนหนึ่งเป็นผู้ดูที่ดี ผู้ดูที่ดีทำยังไงผู้ดูที่ดีทำยังไงดูแบบไม่ปรุงแต่งเอออย่าไปปรุงแต่งการดูแบบไม่ปรุงแต่งขึ้นวานะเดี๋ยวใจยุ่งผู้ดูที่ดีอบรมมาให้ชัดชัดง่ายๆทุกคนเคยดูดูจีโอกราฟิกไหมชีวิตสัตว์เคยดูไหม ใช่ไหมเวลาก็ทําเรื่องราวเหล่านี้เขาไปถ่ายทําเรื่องราวเนี่ยเขาจะเห็นความจริงของมันเลยแหละที่เขเห็นความจริงก็าทำไงเขาเป็นผู้ดูที่ดีกล้องมันเป็นผู้ดูที่ดีมันตั้งดูทุกช็อตของชีวิตเลยตั้งแต่กระบวนการการเกิดขึ้นการดํารงอยู่ของชีวิตแล้วก็การพัดภาแล้ว ก, การสูญเสียแล้ว ก, การสแสวงหาอาหารใช่ไหมเนี่ยทตัวเป็นกล้องที่ดีสิ อย่าไปทำตัวให้ดีฝึกกล้องดูเฉยเฉยดูอย่างไม่มีผลได้ผลเสียกับมันแล้วมันจะแสดงผลของความเป็นจริงให้เราเห็นอย่าไปดูแล้วไปแทรกแซงมันโอ้ oh, ทำไมฉันคิดมากจังเอาอีกแล้วพอทาไปทำไมไอ้ฉันทำไมฉันไม่มีความคิดเลยกเอาอีกแล้วคุณจะถูกตกท้ายตกฝาอยู่เรื่อยถ้าคุณอยากสิ่งหนึ่งอีกสิ่งหนึ่ง ก็จะซ่อนอยู่ในสิ่งนั้นสมมติคุณอยากมีความสุขแต่ความสุขกความทุกข์ก็ซ่อนอยู่เขาเหมือนเงาซึ่งกันและกันคุณไม่เห็นเงามันเป็นเงาก็กันและกันเมื่อความสุขหมดเหตุปัจจัยความทุกข์ก็ตามมาเมื่อความทุกข์หมดเหตุปัจจัยความสุขก็ตามมาเขาเขาต้องสองอย่างนี้ก็จะเป็นเหตุปัจจัยซ้อนกันของคู่ก็จะเป็นเหตุปัจจัยซ้อนกันหมดเหมือนเรากับเงาเราแยกกันไม่ออกแต่ถ้าเราดูความจริงนะ ทั้งของคู่ทั้งหมดเราจะเห็นความเหมือนกันในสีสนแตกต่างกันนี่แหละแล้วใจเราเนี่ยนะโอ้มันจะสบายสบายวางทุกเรื่องแต่แปลกประหลาดต้องมีทุกเรื่องมีทุกเรื่องเลยนะไม่จะหายไปสักเรื่องเลยแต่มันอยู่แบบปล่อยวางไม่เข้าไปแทรกแซงไม่เข้าไปจัดการไม่เข้าไปรัก เข้าไปเข้าไปชังไม่เข้าไปต้องการอย่างนั้นไม่เข้าตรงไปการนี้เพราะมันเข้าใจตามความเป็นจริงว่าคุณต้องการคุณก็ไม่ได้เพราะของมันไม่ได้เหมือนกับของอะไเนี้ยมันไม่ใช่ของเราทำยังไงยังไงมันจะเป็นของเราได้ไหมความเป็นจริงคือมันไม่ใช่ของเราแล้วทำยังไงยังไงให้เป็นของเราได้ไหมร่างกายนี้ใช่ของเราไหม ในใจเถียงว่าใช่ปากบอกว่าไม่ใช่ใช่ไหมร่างกายนี้มันไม่ใช่ของเราเราจะทำยังไงยังไงให้มันเป็นของเราได้ไหมไม่ได้เมื่อมันไม่ใช่ของเราแต่เราก็ต้องอยู่กับมันทั้งที่ทำให้เป็นของเราไม่ได้แล้วเราต้องทำใจยังไงยอมรับมันคาพูดเนี้ยเข้าใจไหยอมรับมัน ยอมรับความเป็นจริงของโลกโลกใบนี้เสียแล้วคุณจะอยู่อย่างมีความสุขแต่ถ้าคุณไม่ยอมรับโลกความจริงของโลกใบนี้เสียคุณก็จะอยู่อย่างมีความทุกข์ทุกบ้างสุขบ้างทุกบ้างสุขบ้างนี่แหละถ้าคุณยอมรับความเป็นจริงมันเสียคุณก็อยู่อย่างมีความสุขที่จะทําให้มันยอมรับความเป็นจริงได้ยังไงทําให้มันเกิดปัญญาการทําให้เกิดปัญญาต้องฝึกยังไงฝึกวิปัสสนาการฝึกวิปัสสนาฝึกแบบไหน วิปัสนาหรือปัญญาเขาใช้ตัวอะไรเป็นตัววัดตัวรู้ตจลักเขาว่าปัญญาทางธรรมะนี่คือการรู้เพื่อทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วจะไปนี่เขาเรียกปัญญาทางวิปัสนาและปัญญาทางพระพุทธเจ้าถ้าเป็นอย่างอื่นแนวอื่นไม่ใช่ปัญญาต้องมารู้ตจลักอนิจจังทุกขังอนัตตานี่คือปัญญาของวิปัสนา แต่เราทําไปมุ่งเพื่อเอาให้มันสงบมุ่งไปเอามันดีเนะ่ะก็สงบก็คือสงบมแหละแล้วลสงบมันคืออะไรอ่ะคือการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปเมื่อมันดับไปก็เกิดความฟุงฟ้งซ่านซ้อนมาถ้ามันเข้าไปใจใจเข้าไปตรงจุดนี้ปั๊บอะไรยอมรับความเป็นจริงนี้เมื่อไหร่ปุ๊บเราเรียนรู้ตรงนี้ได้ไหลมวิปัสสนาก็จะเกิดขึ้นเมื่อวิปัสสนาเกิดขึ้นปัญญาก็จะตามมาสมาธิไม่ใช่เรื่องอะไรสมาธิอาตจมาจะอุอกมาง่ายๆเหมือนต้นหญ้า ที่มันลูบไปตามลมแต่ไม่หลุดไปตามลมตั้งมั่นอ่อนโยนใช่ไหมนุ่มนวลว่องไวรับรู้ความรู้สึกรอ บ, รอบตัวได้ตลอดแต่ไม่หลุดไปกับสิ่งเหล่านั้นนั่นแหละเรียกสมาธิที่แท้จริงไม่ใช่ว่านั่งหลับตาหรือจิตนิ่ ง, น, งนั่นไม่ใช่สมาธินี่นคือความสงบสมาธิจริงๆเหมือนต้นหญ้าอ่อนโยนนุ่มนวลว่องไว แก้วกล้ามั่นคงนะเพราะต้นหญ้ามันรับรู้การกระทบสัมผัสได้ไวแต่ไม่เคยหลุดไปกับสิ่งที่มากระทบสัมผัสมันนอกจากใครไปถอนมันตื่นอย่างนี้ก็มีเนะี่ยตั้งใจฟังเนี่ยมีมีแล้วมันมีอารมณ์อื่นๆไหมก็มีแต่เราไม่หลุดไปกับมันไงตั้งใจฟังมีอยู่เบื่อก็มีเสงก็มีอยากก็มีคิดเรื่องอื่นก็มีวับไปตรงนู้นนี่ก็มีใช่หม อ้าวเราก็ตั้งมั่นที่รู้รู้แบบนี้มันจะรู้ทำไปเกิดสมาธิรู้แบบอ่อนโยนรู้แบบนุ่มนวนรู้แบบตั้งมั่นรู้แบบไม่หวั่นไหวกับสิ่งที่มาให้รู้รู้ตัวละครแบบนี้ก็จะเป็นผู้ดูที่ดีแล้วมันจะเกิดภาวะรู้ซื่อๆรู้เฉยๆมันจะมีสติและอุเบกขาแล้วแลอยู่แลอยู่รู้อยู่เห็นอยู่อะไรกำลังเกิดขึ้นเดี๋ยวนี้ แล้วมันจะเห็นการไหลผ่านของชีวิตทุกวินาทีเสียงที่กําลังเกิดขึ้นแล้วหายไปเกิดขึ้นแล้วหายไปนี่คือเรื่องมันแสดงความเป็นไตรลักษณ์ให้เราเห็นอยู่แล้วความเข้าใจที่เกิดขึ้นแลกดับไปเกิดขึ้นแลกดับไปนี่ก็แสดงความไตรลักษณ์ห้เราเห็นอยู่แล้วความเบื่อความเสีงที่กําลังเกิดขึ้นแลกดับไปแลกดไปก็ใจเลยความเข้าใจที่เราเข้าใจแล้วเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปมันก็แสดงไตรลักษณ์ห้เราเห็นอยู่แล้วแล้วเราจะยึดอะไรไม่ได้เลย แต่เราจะอยู่กับทําทกลางเรื่องเหล่านี้อย่างอิสระไปชมไปดูละครตัวเองได้หรือยังนี่คือกระบวนการทั้งหมดอ่ากระบวนการทั้งหมดในกระบวนการทั้งหมดเนี่ยมีทบทวนใหม่เนงสอนเด็กกว่านี่หนึ่งสองสามสี่ห้า ใช้ได้แล้วสมองใช้ได้นะแต่ไม่รู้ใจใช้ได้หรือเปล่าต้องไปฝึกกันต่ออ้าวทีนี้เรามีขบวนการว่าเราจะทำยังไงให้ผู้ผู้ดูละครมันเข้มแข็งใหม่ๆเราจะสับสนไปก่อนดูไปเถอะไม่เป็นไรดูไปเถอะเนี่ยะบวนการจริงครูบาอาจารย์จริงมีรูปแบบไหมรูปแบบในการฝึกรูปแบบพูดโทรรูปแบบยุบหนอพองหนอนี่กาลังจะ พุ่งประเด็นปที่สองคือว่าเวลาให้เท่าไหร่นี่ทุกคนโอ้ย <c oughs> ฉันจะรีบกลับบ้านมา <c oughs> ไม่ถึงหรอกจะมาพูดไม่นานหรอกแต่ก็พูดได้เรื่อย <c oughs> <c oughs> อา้าวไปแล้วถึงไหนตรงนี้ <c oughs> อ่าใช่ได้ใช่ได้ไดจอดได้รูปแบบ รูปแบบเพื่อเป้าหมายกับรูปแบบเพื่อรูปแบบบางคนมีรูปแบบยึดอยู่ที่รูปแบบแต่ไม่รู้เป้าหมายของรูปแบบอาจารย์มาจะบอกรูปแบบเพื่อเป้าหมายรูปแบบเอาตัวรูปแบบก่อนเพราะมันจะมีรูปแบบสองลักษณะรูปแบบหนึ่งที่เราสร้างขึ้นมาอีกรูปแบบลักษณะหนึ่งคือรูปแบบที่ธรรมชาติสร้างจะมีสองลักษณะธรรมชาติสร้างกับเราสร้าง เราสร้างมีอะไรบ้างพุทธโธยุบหนอพองหนอสัมมาอารหังดูลมหายใจยกมือสร้างจังหวะเดินจงกรมหรือนำาาา้ำพระพระหรือเพลงลูกแก้วนี่รูปแบบที่เราสร้างขึ้นมาที่ครูบาอาจารย์ท่านทำแล้วเกิดผลสําเร็จท่านก็สร้างมาแล้วก็เป็นรูปแบบให้เราสอนแล้วใครเราทําเหมือนเหมือนกันแต่ได้เหมือนกันไห ม, มบางคนก็ไ ด, บได้บางคนก็ไม่ได้บ <c oughs> <c oughs> างคนวิธีใครสร้างจังหวะแล้วจะได้บางคนสร้างจังหวะไม่ได้ก็ไปนัง่งอย่างอื่นก็ได้ก็แล้วแต่ รูปแบบที่จะสร้างขึ้นมาเนี่ยครูบาอาจารย์ท่านเห็นผลท่านได้ผลแล้วท่านก็มานํามาเสนอกับพวกเราพวกเราก็มีสิทธิ์นี่คืเรื่อรูปแบบหรือจะมีรูปแบบอีกวิธีต่างๆอีกเยอะแยะมากมายที่จะเกิดขึ้นให้สังเกตว่ารูปแบบแต่รูปแบบอะ่ะเมื่อทําแล้วมันจะทําได้เหมือนๆกันทําข้างนอกเหมือนกันนะแต่จงยกเว้เวนข้างในนะข้างในไม่รู้เหมือนกันหรือเปล่านะเนี่ยนีเรื่องรูปแบบที่เราสร้างอ้าว เคล็ดลับให้ดีๆรูปแบบคือมันเกิดแบบเดิมมันเกิดแบบเดิมซ้ำๆแบบเดิมเหมือนเดิมๆรูปแบบเนี่ยจับเคล็ดลับตรงนี้ให้ชัดๆเ่อะอย่างสร้างจังหวะเนี่ยมันเกิดแบบเดิมเหมือนแบบเดิมซ้ําๆแบบเดิมใช่ไหมนะพูดโทหายใจเข้าพูดหายใจออกโทรหายใจเข้าพูดหายใจออกโทก็เป็นรูปแบบเดิมๆซ้ําๆเหมือนเดิมเกิดแบบเดิมใช่ไหมอ่าพอจะเข้าใจแล้วจะไล่ให้ควังทีนี้ ทีนี้ถ้าเราจิตของเราถ้าเราฟางไปหน่อยเอ้าแล้วธรรมชาติล่ะธรรมชาติก็จะมีรูปแบบแบบเดิมเหมือนกันแบบเดิมๆซ้ําเหมือนเดิมเหมือนกันเช่นเดินแบบเดิมๆซ้ําเหมือนเดิมเกิดขึ้นเดิมๆแล้วหายไปเหมือนเดิมเหมือนกันใช่ไหมยืนเดินนั่งนอนก็แบบเดิมๆซ้ําเหมือนเดิมเนี่ยนี่คือรูปแบบของธรรมชาติที่มีอยู่ที่มีอยู่แล้วยืนเดินนั่งนอนเนี่ยเนี่ยเป็นรูปแบบโดยธรรมชาติที่เรามีอยู่ ถ้าเราเข้าใจประมวลประมวลความรู้แต่โอ้รูปแบบนี่มีลักษณะพิเศษตรงนี้เองว่ามันเกิดขึ้นแบบเดิมเหมือนเดิมซ้ำๆอย่างเดิมใช่ไหมทีนี้ถ้าเราไล่ไปก่ะเวลาเราโกรธอ่ะแบบเดิมไหมโกรธเวลาเราโกรธแบบเดิมไหมเกิดแบบเดิมแหละเหมือนเดิมนั่นแหละแต่สิ่งที่ทําให้โกรธอาจจะเป็นสิ่งที่ไม่ใช่สิ่งเดิมอาจจะเป็นทางตาก็ได้อาจเป็นทหูก็ได้อาจเป็นทมูก็ได้ลิ้นก็ได้กายก็ได้แต่ว่าอารมณ์โกรธนี่เหมือนเดิมไหม ร้อนทุกทีเวลาโกรธนะไม่เคยเย็นเลยใช่ไหมอาจารมาก็จะค่อยๆอะไรทีรูปแบบเนี่ยรูปแบบของเสียงที่มันเกิดขึ้นมากระทบแล้วกระดับคลื่นของเสียงที่มากระทบหูเนี่ยแบบเดิมแบบเดิมคนด่ากับคนชมเป็นคลื่นเสียงมากระทบหูไหมแต่เราเคยสนใจคลื่นเสียงรู้สนใจคำด่าคำชม สนใจคําด่าคําชมมากกว่านั้นสนใจคนที่ด่าที่ชมเขาไปอีกมันก็เลยมันก็เลยไม่เหมือนเดิมล่ะแต่มันแค่คลื่นเสียงมากระทบแล้วกระดับคลื่นเสียงมากระทบแล้วกระดับคลื่นเสียงมากระทบแล้วกระดับจะเป็นคําแนะนําจะเป็นคําชี้แนะจะเป็นคําชักชวนจะเป็นคําอะไรก็ตามมันแค่คลื่นเสียงแล้วกระทบกระดับอย่างเสียงนกเสียงกาเสียงอะไรต่างๆมันก็แค่คลื่นเสียงมากระทบแล้วก็ดับตามันเห็นรูปล่ะหลากหลายใช่ไหม แต่จริงๆแล้วมันเห็นแค่รูปและสีมันสรุปได้ตรงนี้ถ้าตาเห็นจริงๆเห็นแค่นี้แหละแต่เราไปบรรจับญญว่าสีแดงสีเหลืองสีขาวสีเขียวดอกไม้ะอะไรนั้นที่จริงคือรูปและสีโอ้สรุปมันมีอยู่ตรงนี้อ๋อรูปและสีมาเกิดกับตาทุกอย่างไปเจอไปเจอคนไม่ชอบหนะ้าเออมันก็คือรูปและสีวะ แต่พอยาวไอ้เจอคนครอเจอคนที่ชอบน่ะเออไม่ใช่แล้วไอ้คนนี้เราชอบว่ะไม่ใช่นะต้องให้มันเห็นเหมือนกันเนี่รูปและสีใช่ไหมมันก็จะเกิดแบบเดิมกลิ่นก็คือกลิ่นที่มากระทบเมื่อเกิดแบบเดิมเหมือนเดิมอีกสัมผัสทางกายเย็นน้อนอ่อนแข็งเคืองเจ็บปวดไม่เพียงเกิดแล้วก็หายมันก็เหมือนเดิมอีกใช่ไหมทีนี้ไอ้ความเหมือนเดิมเนี่ยมันมีความพิเศษอยู่อันหนึ่งถ้าเราจับรูปแบบตัวนี้ได้ปั๊บนะ มันจะทําให้ใจเราพ้นได้รูปแบบแบธรรมชาติเนี่ยถ้าแบบรูปแบบแบบถ้าเราไปสร้างจังหวะขอยอนะ้อนเนี่ยถ้าเราสร้างจังหวะหรือทํารูปแบบได้รูปแบบหนึ่งเราก็าจะเรียกว่าปฏิบัติใช่ไหมพอเราไม่ทําเราเรียกว่าไม่ปฏิบัติแล้วใช่ไหมเห็นไหมครูสติทั้งหลายแล้วครูสติทั้งหลายได้ปฏิบัติในรูปแบบบางหรือเปล่าพอไม่ได้ปฏิบัติในรูปแบบก็รู้สึกว่าฉันไม่ได้ปฏิบัติ โอ้ฉันต้องโรงเรียนปิดก่อนฉันต้องว่างก่อนฉันต้องสบายก่อนฉันจ ะ, จะทําแล้วว่างก่อนปิดก่อนแล้วทํำไหมฉันไปเล่นก่อน <c oughs> ฉันกลุ่มแล้วเกินแล้วจะมาคลา่งเครียดอะไรกันอีกใช่ไหมเนี่ยขอรูปแบบเนี่ยมันจะเกิดการจํากัดเวลาปฏิบัติไอ้การจํากัดเวลาปฏิบัตินี่แหละมันจะทําให้เรารู้สึกเหืนห่างจากชีวิตจริงเมื่อหืนห่างจากชีวิตจริงจะรู้ของจริงไหม อหลอกเอาเหอะหลอกตัวเองว่าได้ปฏิบัติได้บุญได้กุศล น, น้อยก็คาขี้ชื่นใจแต่วันไหนไม่ได้ปฏิบัติก็เศร้า อ, อกเศร้าออใจไม่ได้ทาอะไรเลยเนี่ยเพราะว่ารูปแบบนี่มันจะจํากัดจํากัดอยู่ในวงแคบๆ บ, บางครั้งเอาไปใช้กับชีวิตจริงไม่ได้แม้แต่บางทีสร้างจังหวะนี้เหมือนกันนะก็บอกว่าสร้างจังหวะเนี่ยสร้างจังหวะนี้เอาอะไรเอาสิบสี่จังหวะเหรอนี เอาสร้างจังหวะอืไงรูปแบบเนี้ยเอาอะไรบอกแล้วรูปแบบเป้าหมายของรูปแบบเพื่อเอาอะไรทำซ้ำๆเอาตัวดูไม่ใช่เอาตัวซ้ําเอามันเหมือนกับตกปลาเราเอาเหยื่อไปตกปลาเนี่ยเราไม่ต้องการเหยื่อเราต้องการปลาใช่ไหม รูปแบบต่างๆเหมือนเหยื่อล่อตกปลาตัวปลาจริงๆคือตัวรู้น่ะรู้ว่าอะไรเกิดขึ้นกับตัวตัวรู้สึกที่เกนกับตัวตัวปลาจริงๆคือตัวผู้ชมน่ะผู้ชมละครน่ะผู้ดูละครน่ะตัวนั้นแหละที่เราจะเอาเพราะตัวนั้นแหละมันจะมีผลต่อชีวิตเพราะนั้นแหละคือตัวชีวิตจริงชีวิตจริงๆคือตัวนี้ถ้าหมดตัวนี้คือหมดชีวิตถ้ามีตัวนี้คือมีชีวิต แต่เรามีแบบหลับกับมีแบบตื่นหลับหลงไหลกับตื่นรู้เข้าใจมันคนละเรื่องกันนี่รูปแบบตรงนี้เราจะเข้าใจอ้าวทีนี้เราสบายแล้วยังไงอ่ะฉันไม่ได้เดินจงกรมไม่ได้สร้างเกี่กับตามเวลาฉันยืนรู้ฉันเดินรู้ฉันนั่งรู้ฉันนอนรู้ใช่ไหมพอฉันรู้ทีนี้เสียงเกิดขึ้นมากระทบหูแล้วฉันก็รู้ตากระทบ กับรูปอยู่ฉนก็รู้จมูกกระทบกลิ่นฉันก็รู้ลิกกบบ้นกระทบรสฉันก็รู้ ก, บบร ก, รกายอะไรมาสัมผัสเย็นร้อน ย, นยนิ่งเราเย็นบั่งร้อนมั่งมากระทบเราก็รู้อันเนี้ถ้าเรารู้อย่างนี้ยังงงงอยู่นะฟังมองดูใจแต่ละคนยังงง ง, ง, งเอ๊ะ ร, เระรู้อย่างนี้แล้วมันจะรู้ยังไงวะยังงงงอยู่ใช่ไหมแต่มันมีจุดอยู่มันมีจุดสรุปอยู่ว่าถ้ารู้เท่ารู้แบบรู้แบบเนี้มันมีรูปแบบลักษณะหนึ่งที่เป็นรูปแบบที่ ทำให้จิตไถ่ถอนได้คือรูปแบบก า, การเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปในรูปทุกทุกรูปแบบนี่คือรูปแบบที่แท้จริงที่ทําให้จิตเนี่ยมันเกิดการปล่อยอารมณ์ออกไปทิ้งอารมณ์ออกไปอยู่เหนืออารมณ์ได้เข้าใจอารมณ์ได้ละอารมณ์ได้คือเห็นมันรูปแบบต่างๆมาเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วหายไปเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วหายไปเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วหายไปพอเราจับรูปแบบหลักนี้ได้ปุ๊บตัวรู้เขาเ้าไปสัมผัสกับการรู้สึกอันนี้ทุกชนิดนะโหใจเราจะเป็นยังไง เคยเอานูน่นเอานี่เอานั่นมันจะเอามาทำไมว่ามันเกิดขึ้นแล้วก็หายไปอ่ะมันเหมือนกับอยู่ที่วัดมีคนคนหนึ่งเมื่อก่อนเขาเป็นเด็ก<ม>เขาจะบวชแล้วเนะี่ยเขาิบัตรทำได้สองวันนั่นเองสอนเขาแบบนี้แหละเอาเราไปทําดูนะไม่บังคับนี้ไปแพร่แสงเทียนไม่ตรงกลัแล้วไม่บังคับสอนแบบนี้เราไปทำํำมานะเขาก็ไปเดินจงกรมสร้างจังหวะเอาปลานะ่ยอยเอาเหยื่อ สอนสอนเอาฟรา่น่าอยากเอาเหยื่อทําไปทําไปปุ๊บวันที่สองก็บอกเอ๊ะผมบอกหลวงพ่อทําไมผมนี่มันโง่จังทําไมโง่ล่ะเลยถามเมื่อก่อนตัวฉลาดไปเลยผมโง่จังเลยโง่ยังไงถามเขาเมื่อก่อนเนี่ยเวลาผมอยากผมผมอยากปุ๊บอยากไปไหนปุ๊บก็จับมอเตอร์ไซค์ไปเลยอยากกินอะไรผมอยากไปเลยไปทําตามอยากแล้วก็หายไปไปทําตามอยากแล้วก็หายไปแต่พอผมมาอยู่นี่ปุ๊บ ผมอยากเหมือนกันแต่ผมก็ไม่ได้ทำอะไรเลยมันก็หายไปผมไม่ไปทําอะไรกับมันเลยนะผมก็ไม่ได้จับพอเตอร์ไปผมก็ไม่ได้ไปกินไปตามมันที่มันอยากหรอกแต่มันมาแล้วก็หายไปมาแล้วหายไปเออนั่นแหละเธอเริ่มฉลาดแล้วล่ะเพราะว่าเราวิ่งไปตามความอยากแล้วมันก็เกิดขึ้นหายไปเราไม่มิ่งไม่วิ่งไปตามความอยากแล้วมันก็เกิดขึ้นแล้วก็หายไปแล้วอันไหนมันสบายกว่ากันใช่ไหม เหมือนคนคนหนึ่งผัวเมียมีลูกสี่คนเกิดการทะเลาะกันแล้วผัวยิงเมียตายความโกรธที่เกิดขึ้นแล้วไปทำลายผู้อื่นน่ะมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วหายไปไหมหายใช่ไหมแต่เมื่อไปยิงเขาแล้วเนี่ยมันจะมีผลอะไรตามมาผัวต้องติดคุกลูกสี่คนใครจะดูแล สังคมครอบครัวจะเป็นยังไงทั้งที่ถ้าเราถ้าเขาไม่ทำล่ะมันจะเป็นอย่างนั้นไหมฉันใดก็เหมือนกันดีใจก็เหมือนกันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็หายนั้นถ้าเราจับละกอกละลักษณ์ของรูปแบบอันนี้ไปใช้ในชีวิตจริงทุกๆเรื่องนะจิตเราจะวางเองโดยเราไม่ต้องวางจิตเราจะละเองโดยเราไม่ต้องอยากละหัดดูบันสิ นี่แหละก็เรื่อรูปแบบธรรมชาติที่ประมวลรูปแบบต่างๆโอออประมาณรสรุปให้หมดแล้วนะเนี่ยหรือถ้าถ้าใครเอาไปทำนี่จเจริญแน่ๆแล้วถ้าใครไม่ทํานี่แย่แน่ๆแล้ไม่ได้บังคับนะเนี่ยพายามพยายาสรุปแล้วประมวลเรื่องราวทั้งหมดให้ฟังหมดแล้วอา้าวละครก็ให้หัดดูแล้วแล้วดูก็จะดูยังไงแล้วจะพัฒนาตัวดูแบบไหนอีกแล้ววิธีสรุปรูปแบบปฏิบัติปฏิบัติยังไงอีกแล้วจะเอาอยัางไงอีกทนี้อ่ะ หมดไสหมดฟงแล้วนะเข้าใจไหมทำได้ไหมได้ไม่ใช่ยากเลยไม่ใช่เรื่องที่จะแตกต่างแล้วแปลกแยกไปจากชีวิตจริงเลยในชีวิตที่ตื่นอยู่นี่แหละในชีวิตที่เป็นทุกข์อยู่นี่แหละมันทั้งหมดนะที่พูดมาคือทางออกจากความทุกข์แต่ถ้าไม่ทำละ่ะก็อาตมาเลยบอกว่าอาตมาไม่ใช่คนสอนคนอื่นเพียงแต่บอกเส้นทางให้ คุณต้องจุดตะเกียงคุณเองถ้าคุณอยากมีความสุขในชีวิตตลอดท่ามกลางความทุกข์ละก็คุณต้องทำไม่มีใครทำให้คุณได้และไม่มีใครทำแทนคุณได้คุณจะไปอ้อนวอนสมมติเหมือนเรานั่งอยู่นี่น ะ, ะสมมติว่าชายคนหนึ่งจะข้ามน้ำถ้าเขาจะข้ามน้ำไปฝั่งนู้นน่ะเขาต้องทำยังไงถ้าน้ำนั้นไม่ลึกเกินไปเขาก็เดินใช่ไม้ม ถ้าน้ำลึกน้ำ น, นั่นลึกเกินไปเขาก็ว่ายไปเท่าเขาว่ายไม่เป็นเขาก็มีเรือหรือมีแพพาข้ามไปใช่ไหมแต่ถ้ามีชาคนหนึ่งอยากไปฝั่งนู้นจะสวดอ้อนวอนอธิษฐานขอให้ฝั่งนู้นมาฝั่งนี้นเป็นไ ป, นปนได้ไหมฉันสวดอธิษฐานอ้อนวอนขอให้ฝั่ง คลองฝั่งโน้นนะจงมาฝั่งนี้นะฉันจะได้ไม่ต้องว่ายฉันจะได้ไม่ต้องเดินฉันจะ ไ, ไม่ต้องนั่งเรือไปจะเป็นไปได้ไหมฉันไดก็เหมือนกันแหละปราถนาจะดับทุกขแต่นั่งอ้อนวอนอยู่ทางนี้ไม่กล้าเดินด้วยตัวเอง <c oughs> มันก็เรื่องตลกทนั้นแหละที่จะเป็นไปได้ ปรารถนามรรคผลนิพพานปรารถนาความสุขตลอดการแต่ไม่ทำให้เกิดความสุขแก่ชีวิตไปทำให้เกิดความทุกข์เหมือนปรารถนาจะข้ามไปฝั่งโน้นแต่สวดอ้อนวอนเอาคงจะไปได้มั้งผู้ศาสนาไม่ได้สอนเรื่องแบบนั้น <S <S ให้เข้าใจด้วยให้เข้าใจด้วยคุณต้องใช้กำลังสติปัญญาของคุณเองถ้าคุณอยากจะข้ามฝั่งนะ แล้วก็จะชี้พูดพื่ทั้งวันเนี่ยคือจบแล้ ว, ล, วล่ะสรุปให้ฟังหมดแล้วนะรูปแบบก็พูดไปเรียบร้อยแล้วนั่นคุณไปทําสิยังไงก็ได้ผนัก ง, งนๆนก็ใช้ได้นะใช่ไหมยิ้มก็ใช้ได้แหละคือมันมันยังไงก็ได้ธรรมาชาติที่มันเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปเนี่ยจับรูปแบบลักษณะนี้เอาไว้เถอะเฮ้ยพอจับบ่อยๆเข้ามันจะรู้สึกว่าให้โกรธที่อาจารย์บอกว่าให้จับรูปแบบเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วหายไ ป, ปบบนนเ อ, เอ๊ะมันไม่หายสักทีว่ะ มันยังไม่ถึงเวลาหายใช่ไหมถ้าโกรธตลอดก็ตายสิบ้าแล้วเนี่ยทุกคนโกรธตลอดดิบ้าเลยนะใช่ไหมแต่สังเกตดูดีมันจะมีอยู่แปบเดียวเท่านั้นเองมันแว๊บเดียวจริงๆเนีไม่จะโกรธนานหรอกพอเราโกรธโกรธใครปุ๊บพอเราไปหันดูไอ้คนที่เราชอบใจไอ้ความโกรธเมื่อกี้ลืมไปแล้แต่ไอ้คนที่เราชอบใจหายไปหันไปเห็นหน้ามันอีกโกรธอีกแต่โกรธแค่ขั้นที่สองไม่ใช่อันเดียวกันแล้วเป็นอันใหม่แล้วเป็นอันใหม่แล้ว แต่เราคิดว่ามันเป็นอันเก่าแต่ยิงอันใหม่มันตายไปแล้วอันเก่าไม่เกิดขึ้นใหม่อันใหม่ตายไปแล้วมันเกิดขึ้นใหม่อีกมันวัยจะตายถ้าเราดู้วนี้ปุ๊บจิตเราจะเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นเรารู้อารมณ์ได้เยอะขึ้นเลยอุปมาให้ฟังวันนี้อุปมาเหมือนกับอัตมามีสองอย่างการรู้แบบสองชนิดคิดรู้เอาความคิดน้ำหนาก่อนแล้วก็รู้ เอาความรู้ก่อนนําหน้าแล้วก็คิด <c ười> คิดรู้กับรู้คิดอ่านะเช่นอ่าไม่เป็นไรนั่งฟังเอาตรงนี้เวลาเราลองดูนะถ้าอาตมาจะอุปมาให้ฟังว่าเรารู้คิดนะ่ะมันจะเป็นยังไงอ่าเรารู้คิดมันจะเป็นยังไง ล้วเราคิดรู้มันจะเป็นยังไงมีความแตกต่างกันอยู่ในตัวนี้สมมติอรตมาจะเคาะไมเนี่ยจะพังเปล่าเครื่องอ่ะเขาเอามาให้แล้วก็ลองใช้เลยสมมุติอรตมาเนี่ยใช้เงี้ยลองนับดูนะ <c oughs> ลองนับดูนะนี่คือรู้ประเภทหนึ่ง ได้กี่ที 17, 17นะอ้าวสติปัญญาณวัยไม่เท่ากันลองถามคนอื่นได้กี่ที <17 S 1> เดี๋ยวบางคนองบอก18บางคนบอก15บางคนบอก16อ้าวแล้วบทสรุปมันได้กี่ทีเนี่ยอ้าวลองดูนะได้กี่ที 8, 8ทีไนดะ้ประมาณได้10ที <c oughs> 5มันเร็วกว่านี้ล่ะนับทันไหม ทันไหมทันไหมไม่ทันนะอันนี้เรียกว่าคิดรู้คิดรู้จะเป็นอย่างนี้แต่ถ้ารู้อะเพราะหนึ่งสองสามสีห้าจแปเก้าสิบคือความคิดใช่ไหมอ่าแต่เสียงที่มันดังกิ๊กิ๊ก๊ก๊นั่นคือความจริงใช่ไหมอ่าิ๊กิ๊กี่ทีนี้ถ้าเรารู้ความจริงล่ะฟังดูนะโดยไม่ต้องนับ ได้ยินทุกครั้งไหมที่มันดังนี่แหละเขาเรียกว่ารู้รู้ชนิดนี้แหละที่เราจะนํามาเรียนรู้ไม่ใช่รู้แบบแรกรู้แบบแรกมันนํามาเรียนรู้แบบนี้ไม่ได้ถ้ารู้แบบแรกนะมันนํามาเรียนรู้แบบนี้ได้ปุ๊บเราสบายแล้วเราใช้ตัวรู้อย่างเงี้ยแล้วมันจะไปรู้ความเปลี่ยนแปลงของชีวิตที่มันเร็วมากเลยมันอาศัยความเร็วของมันมากๆนี่แหละที่จะปิดบังความเปลี่ยนแปลงของตัวมัน เราจึงไม่เห็นความเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วแตไปของตัวมันปัญญาเราจึงจะไม่เกิดแต่ถ้าเราฝึกรู้แบบเนี้ยรู้ซื่ อ, อรู้เฉยรรรรเรื่อยๆแล้วเห็นความเปลี่ยนแปลงของมันมเรื่อยๆแล้วจิตเราจะเร็วขึ้นถนี่ขึ้นเข้าใจขึ้นอ๋อทุกอย่างมันแค่ไหลผ่านชีวิตไม่ใช่ตัวชีวิตแล้วของที่ไหลผ่านในชีวิตเราจะมาเดือดร้อนอะไรกับมันด้วยล่ะเพราะมันเกิดมาแล้วก็ผ่านชีวิตไปไม่ใช่เกิดมาแล้วอยู่กับชีวิตเนี่ยใช่ไหมอ่ะ เราต้องไปรับผิดชอบมันด้วยอ่ะเราต้องไปรับผิดชอบกับความโกรธที่มันเกิดขึ้นมาแล้วเพื่อผ่านชีวิตไปเราต้องไปรับผิดชอบความดีใจที่เกิดขึ้นมาแล้วก็ผ่านชีวิตไปด้วยเลยเพราะมันแค่ของผ่านชีวิตแต่ไม่ใช่ตัวชีวิตแต่ตัวรู้สิ่งเหล่านี้ที่เกิดขึ้นต่างหากนั่นคือตัวชีวิตถ้าเราเข้าถึงตัวชีวิตเราจริงๆรปุ๊บเราจะอยู่กับชีวิตจริงๆริงของเราอย่างมีความสุขเข้าใจไหมจบเข้าใจแล้วก็จบได้ อ่าใครมีคำถามอะไรเข้าใจผิดเข้าใจถูกวกว่าก็าที่พูดไปเมื่อกี้อ่ะ รู้ก็ช่างดูก็ช่างสติก็ช่างสมาธิก็ช่างปัญญาก็ช่างนี่แหละกลุ่มผู้ดูตัวเองละ่ะกลุ่มผู้ชมละครละที่พูดไปเมื่อกี้เนี่ยคือความแตกต่างที่เราเนี่นี่แหละคือตัวผู้ชมละครละคุณจะบัญญัติภาษายังไงก็ช่งางเมื่อก่อนทํามาเอ๊ะบางครั้งเรารู้เอ๊ะบางครั้งเราเห็นแล้วไอ้รู้กับเห็นเนี่ยมันเป็นตัวตัวไหนกันแน่ที่เราจะต้องเอาแต่จริงคือตัวเดียวกัน ก็มันรู้อะไรเกิดขึ้นกับตัวใช้ได้หมดเห็นอะไรเกิดขึ้นกับตัวก็ใช้ได้หมดก็คือตัวเดียวกันเฉยๆมันคือตัวเดียวกันอาจามาเลยพออาจารย์มาโร่งนี้ปุ๊บเลยรวมมันเป็นกลุ่มเดียวกันไปเลยเพื่อไม่ให้ความคิดแตกแยกจะสร้างความวิจิตกิจฉาแล้วสร้างความสงสัยในนี้รวมเป็นกลุ่มเดียวกันไปเลยเขาจะพูดว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานตัวรู้สึกตัวตัวสติตัวสมาธิตัวสัมปชัญญะเอาเป็นกลุ่มเดียวไปเลย อะไรที่มันดูเห็นตัวเองอะไรกำลังเกิดขึ้นน่ะใช่หมดเลยนี่เอามันไปไว้กลุ่มนี้กลุ่มนั่งดูเวทีซะแบะแยกมันมาเลยนะจะได้ไม่สับสนในงําสับสนมากเลย <c oughs> เดี๋ยวก็จะบอกว่าไปฝึกสมาธิญะญสิเอาอีกแล้ว <c oughs> เดี๋ยวก็บอกฝึกสติเอาอีกแล้วเดี๋ยวฝึกรู้สึกตัวที่เอาอีกแล้วโอ้โองงเลยเมื่อก่อนจะมางงมากากับความรู้สึกพวกนี้ยแต่พอรวมได้แล้วว่าโอ้ตรงจุดนี้เอง จบเลยทีนีมน้มันมันมะีลักษณะอันเดียวกันเนี่ยนี่ก็คือรูปแบบของมันรูปแบบเนี่ยกบกมารูปแบบไปนี่คเรียกรูปแบบรู้รูปแบบรู้นี่คือรูปแบบของมันชนิดหนึ่งของธรรมชาติที่มีอยู่แล้วรูปแบบรู้มีอีกไหม ถูกแล้วแต่เอาไม่ถูกถูกแล้วแต่เอาไม่ถูกหมายว่าพอรู้สึกว่ามืนมืนพอรู้ไปมากๆเข้ามันจะรู้สึกลักษณะนหนึ่งพอรู้ไปมากเข้ามันจะเคว้งคว้างเหมือนเราเคยไฝ่คว้าอะไรได้พอเห็นทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นอย่างนี้ปุ๊บเราเหมือนเราไม่มีที่อยู่แล้วก็เคว้งคว้างแล้วบางทีมันจะรู้สึกสลดหดหูน่ะสลดหดหูกับชีวิตเนี่ย ไอ้พวกนี้แหละคือตัวละครอีกตัวหนึ่งที่เราเห็นมันชัดๆเลยแต่ถ้าเราเอามันเป็นอารมณ์ใช่ะรู้รู้ถูกแล้วแต่เอาไม่ถูกก็ไอ้ตัวสลดโถนหูนี้แหละมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเหมือนกันอีกนี่เขาเอาถูกถ้าเอาไม่ถูกก็ไปยึดอันนั้นนะแล้วมันหายไปแม่น้ำก็หายไปจากชีวิตอีกนี่แหละเอาการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปเราแค่เอาการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปของบางสิ่ง แต่ไม่เอาการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วตับไปของอารมณ์ที่เศร้าสลด ม, มันซ้อนกันอีกทีหนึ่งใช่ไหมเนี่ย ม, มันซับซ้อนมากๆโอ้ยมันลึกซึ้งแล้วก็ซับซ้อนแล้วก็สับสน <c oughs> เลยทําให้เราเนี่ยงงเป็นไก่ตาแตกงงเป็นไก่ตาแตกเลยแหละถ้าเรารู้ซ้อนซ้นไปเรื่อยๆปุ๊บเดี๋ยวเราจะเห็นโอ้มันสร้างสร้างสร้า ง, างกิเลสจะสุดยอดมันสร้างภาพมายาเยอะเลยลนะ่ะ พาใจนะรู้ถูกแต่เอาไม่ถูกเอียเอตอตอบไปแต่ยังไงวะวางเรือแต่ว่าต้องงผมตัวเองไหมมีไหมไม่มีก็เลิกนะ น mm ี hmm. mm ่นี่นี่นี่คุณคิดในมุมของการเป็นครูนะใช่ไหมแต่เราไปถามสิว่าไอ้คนทํางานบริษัทเนี่ยมันเป็นแบบนี้ไหมใช่ไหมคนใช้ชีวิตแบบชาวบ้านเป็นอย่างนี้ไหมก็เกิดแบบเดียวกันนั่นแหละแต่ก็มีสิ่งกระทบมากไปเหมือนกันแนี่ยแต่คุณเป็นครูคุณคิดในมุมของเป็นครูเหมือนกับว่าฉันทุกข์อยู่คนเดียวโลกนี้มีใครทุกข์เลยอะไรประมาณนั้นใช่ไหมอันนี้คือคิดในมุมนี้นะแต่ว่าเวลานั้นจะทํำยังไงกับมันเวลามันเป็นใช่ไหม ทำใจทำใจ <c ười> คือทุกอย่างแวดล้อมเนี่ยมันจะมีสิ่งเหล่านี้มากระทบชีวิตเราตลอดแหละถ้าเราต้องการไม่ให้มันกระทบเมื่อไรนั่นแหละถ้าเราต้องการไม่ให้มันมากระทบกับเราเมื่ อ, อไร น, นั่นแหละนั่นแหละเขาเรียกว่าตัวตนชนิดหนึ่งที่ไม่ใช่เป็นคนดูแลเป็นตัวกูไปแสดงก็เพึ่งอยากเข้ามานะ มึงจะเข้ามานะแทนที่จะศึกษามันดีเท่าดูไปแบบไอต้ตมาบอกนะดูกามเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปเดี๋ยวคำตอบนี้จะเกิดขึ้นในใจว่าอ๋อมันวางอย่างนี้เองอ่ะวุ่นวายแค่ไหนมันก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปสงบแค่ไห น, นก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปใช่ไหมอยู่คนเดียวก็วุ่นวายอยู่หลายคนก็วุ่นวายไปอยู่คนเดียวไม่วุ่นวาย <c oughs> เอาละใช่ไหม ทุกที่ความวุ่นวายเนะี่ยเราเข้าใจไหมว่าโลกนี้มันมีความวุ่นวายเป็นนิดนี่ความวุ่นวายของมันมันมีอยู่แล้วเป็นนิดมันฟุ้งซ่านอยู่เป็นนิดแต่ถ้าเราทำจิตเราเป็นปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นอย่างสบายเลยโอ้เขาเป็นอย่างนี้เขาเองเยอยู่ที่ไหนที่ไหนก็มีเรื่องตาหูจมูกลิ้นกายใจตลอด อยู่คนเดียวก็มีเรื่องตาหูจมูกลิ้นกายใจตลอดอยู่หลายคนก็มีเรื่องตาหูจมูกลิ้นกายใจตลอดใช่ไหมเขาวุ่นวายอยู่แล้วแต่เราไม่อยากเขาวุ่นวายนี่เราผิดปกติเราผิดปกตินั่นคือปกติของเขาแต่เราเราไม่ยอมรับความเป็นปกติของเขาเนี่ยพยายามจะปลีกตัวเองเข้าไปสู่อีกมุมหนึ่งหลายคนนักปฏิบัติธรรมชอบเป็นอย่างเนี้ย ผลสุดท้ายก็จะหนีลาออกจากครูมันวุ่นวายเหลือเกินพอไปอยู่พอลาออกจากครูแล้วไปอยู่บ้านโอ้ก็เหงาเหลือเกินไม่ไดทําอีกมันจะไปอย่างเงี้ยนั่นอย่าไปแตกแยกกันเลยเขาเป็นปกติเขาอางนี้จิตเขาฟุ้งซ่านเขาอย่างนี้แหละไอการรู้เขาฟุ้งซ่านนี่นแหละเราจะไม่ฟุ้งซ่านการรู้เขาเป็นอย่างนี้เนี่ยเราจะไม่เป็นไปกับเขาเขาโกรธบ้างรักบ้างชังบ้างนี่เรื่องธรรมดาแล้วเขาก็จะสายตัวเองไปแบบธรรมดานะ เรื่ อ, อกว่าทําใจไงทําใจให้เป็นผู้รู้ซะเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้บ่งบาลการรู้การตื่นกือแบบนั้นก็ย้ําคือว่ารู้ว่าอะไรกําลังเกิดขึ้นกับกายกับใจนั่นแหละคือตัวรู้อย่าไปคิดสับสนอย่าไปหาสับแสงเดี๋ยวมันจะ <c oughs> เดี๋ยวมันจะงงกับการฝึกฝนกรรมาฐานถ้าพูดอย่างเงี้ยปฏิบัติทําง่ายไหมน้า <c oughs> ต้องรอเวลาไหมเอาแล้วอ้างได้ไหมว่าฉันไม่มีเวลาเลย นั่นถ้าอ้างอะไรถือว่าโกหกกพระพ <c oughs> กกห <c oughs> ตัวเองใช่ไหมทุกที่ทุกสถานทุกการทุกเวลามีการเรียนรู้เหมือนเดียเ๋ยวนี้ดีใจฉันกรู้แล้วก็หายไป อ, อยากกลับบ้านฉันกรู้แล้วก็หายไปคงจบเดี๋แล้วมั้งหลายคนนะเข้าใจนําไปทําใช้ได้เกาะน่านดูทนาจุดตะเกียงให้ตัวเองนะส่องสว่างในหนทางของชีวิตที่มืดมนเนี่ย ให้เจอเมื่อเข้าใจตรงนี้เอาไปพัฒนาสมองให้จิตใจมันยอมรับนะในสิ่งที่กล่าวว่าเ ล, เ, ล เ, ลเล็กๆน้อยๆเพื่อเป็นธรรมทานนะไม่ได้กล่าวไม่ได้บอกไม่ได้สอนอะไรแต่เอาจากประสบการณ์ของตนเองที่ได้ฝึกฝนมาบ้างเล็กๆ น, น้อยๆอาตมาก็ยังต้องทำอยู่อีกนะยังฝึกฝนอยู่อีกไม่ใช่เป็นคนที่รู้อะไรหรอก แต่แค่เอาบางสิ่งบางอย่างมาบอกให้เราเข้าใจเพื่อเราจะนำไปใช้ได้มันจะเป็นประโยชน์กับชีวิตก็ขอทุกคนดได้ประโยชน์สูงสุดของคันเกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนามีมรรคผลนิพพานคือความพ้นไปจากความทุกข์ได้ด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอิน <Yeah. S 1> จบ